บทกา ร, การเดิ น, ดนชานเมื่อท่านทั้งหลายได้ตั้งใจสมาทานศีลเพื่อความบริสุทธิ์กายและวาจาแล้วก็จงเตรียมตัวนั่งในท่าขัสมาทิให้เท้าขวาวางทับอยู่บนเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักให้ปลายนิ้วชี้ขวาจดพอดีกับปัวแม่มือซ้ายตั้งกายให้ตรงจารงสติมั่น ตั้งสติไว้ให้มีหน้ารอบหายใจลึกๆพอสบายแล้วปล่อยกายตามสบายอย่ากเกร็งส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพราะจะทำให้เมื่อยเร็วตั้งใจเสียสละเวลาชั่วครู่นี้เพื่อการเจริญภาวนาธรรมอย่างแท้จริงเมื่อใจมั่นคงดีแล้วก็ให้หลับตาลงเบาๆอย่าเบ้มเปลือกตาให้แน่นนักรวมใจอันได้แก่ ความเห็นความจำความคิดและความรู้ให้หยุดยิดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อระดับลาวสะดือประมาณสองนิ้วมือของผู้ปฏิบัติมีที่หมายเป็นจุดเล็กใสท่อปลายเข็มอยู่ที่นั่นให้รวมใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดยุดในหยุดลงที่นั่นพร้อมกับกำหนดบริกรรมลิมิตคือนึกรู้ด้วยใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ ดุดเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำาหนิหรือไฝ่ฝ้าราคีใดๆทั้งสิ้นสว่างดังดาวประกายตึกขึ้นที่ศูนย์กลางกายนั่นแหละและภริการภาวนาคือนึกท่องในใจเพื่อประคองนิมิตนั้นไว้ว่าสัมมาอาราสัมมา ในขณะที่ภาวนาสัมมาอรหังใจก็ตรึกนึกถึงดวงที่ใสใจนิ่งอยู่ในกลางดวงที่ใส่นั้นไว้เรื่อยภาวนาไปเรื่อยร้อยครั้งพันครั้งไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบๆตัวเราก็อย่าได้วันไหวหรือสนใจทั้งสิ้นมดจะไต่หรือยุงจะตอมแม้แต่ลมหายใจเข้าออกก็อย่าได้เอาใจไปจดหรือกังวล ต้องปล่อยใจให้ดิ่งลงไปที่ศูนย์กลางนิมิตนันไว้เกล้ยภาวนาไปเรืร่อยๆสมาราสมาราสมารพอใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนเข้าก็จะเพิงเกิดเห็นดวโงโกรมสายแจมเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายนั่นแหละอย่างเล็กเท่าดวงดาวในอากาศ อย่างโตถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทีเดียวดวงกลมใสแจ่มที่พังเกิดขึ้นนี่แหละเราเรียกว่าดวงปฐมมรรคหนทางเบื้องต้นไปสู่มรรคผลนิพพานและในดวงนี้จะเห็นมีศูนย์เล็กๆอีกห้าศูนย์คือศูนย์กลางศูนย์ข้างหน้าศูนย์ข้างขวาศูนย์ข้างหลังและศูนย์ข้างซ้ายศูนย์กลางคืออากาศสัทธา ทำหน้าที่ควบคุมส่วนที่เป็นช่องว่างภายในร่างกายตรงกลางอากาศธาตุเป็นดวงวิญญาณธาตุซอนอยู่ส่วนข้างหน้าคือธาตุน้ําทําหน้าที่ควบคุมส่วนที่เป็นของเหลวส่วนข้างขวาคือธาตุปิ่นทําหน้าที่ควบคุมส่วนที่เป็นของแข็งส่วนข้างหลังธาตุไฟทําหน้าที่ควบคุมส่วนที่เป็นอุณหภูมิในร่างกายส่วนข้างซ้ายธาตุลม ทำหน้าที่ควบคุมส่วนที่เป็นแก๊สภายในร่างกายเมื่อเห็นดวงปฐมมหรือดวงใสแจ่มบังเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็ให้หยุดบริการภาวนาสัมมาอารหังนั้นเสียทีนี้ให้รวมใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดลงไปที่ศูนย์รลางดวงนี้ต่อไปอีกแต่อย่าเพ่งแรงเกินไปรรวมใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุด ลงไปที่ศูนย์กลางดวงประถมมาร์กนั่นแหละพอใจหยุดได้ถูกส่วนเข้าดวงประถมมาร์กนี้ก็จะว่างหายไปและจะปรากฏเห็นดวงศีเกิดขึ้นมาแทนที่ไซละเอียดยิ่งกว่าดวงเดิมก็ให้จดใจเบาๆที่ศูนย์กลางดวงศี น, นั้นต่อไปอีกเข้ากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางไปเรื่อยๆพอถูกส่วนเข้าก็จะเห็นดวงสมาธิ พูดซ้อนลอยขึ้นมาแทนที่ดวงศิลเดิมไซละเอียดยิ่งขึ้นกว่าดวงเดิมไปอีกก็ให้รวมใจหยุดในหยุดหยุดให้หยุดหยุดในหยุดลงไปที่ศูนย์กลางดวงสมาธินั้นต่อไปพอหยุดได้ถูกส่วนเข้าก็จะได้เห็นดวงปัญญาเกิดขึ้นมาจากศูนย์กลางนั่นเองไซสว่างหนักยิ่งขึ้นไปอีกก็ให้รวมใจหยุดในหยุดหยุดให้หยุดหยุดในหยุด ไปที่ศูนย์กลางดวงปัญญาก็จะเห็นดวงวิมุตต์และให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดลงไปในศูนย์กลางดวงวิมุตต์ก็จะเห็นดวงวิมุตติยานัศนะหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดลงไปที่ศูนย์กลางดวงวิมุตติยานัตสนะเพราะถูกส่วนเข้าดวงนั้นก็จะว่างหายไปและจะปรากฏเห็นกายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝัน มีลักษณะหน้าตาเหมือนผู้ปฏิบัติเองทุกประการแต่สวยละเอียดกว่ากายเนือ้อหรือกายมนุษย์อย่างพูดซ้อลอยออกมาจากศูนย์กลางดวงที่ว่างออกไปนั้นอยู่ในท่าขัดสมาธิหันหน้าไปทำเดียวกับผู้ปฏิบัติบางรายอาจจะเห็นกายธรรมที่มีลักษณะเหมือนพระพุทธรูปแก้วเกต ด, ดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์มีรัศมีสวา่างขนาดประมาณครึ่งหนึ่ง หรือกว่านั้นขึ้นไปก็มีไม่ว่าท่านจะเห็นกายละเอียดกายใดก็ตามจะชัดหรือไม่ชัดจะใสบริสุทธิ์หรือไม่เพียงใดก็ตามให้รวมใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดจุดลงไปที่ศูนย์กลางกายใหม่นั่นอีกก็จะเห็นดวงธรรมก็ให้ดำเนินไปในแบบเดิมคือเห็นดวงก็ให้เดินดวงด้วยรวมใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดยุดในหยุด หยุดลงไปที่ศูนย์กลางดวงที่เกิดขึ้นมาใหม่เสมอเห็นกายก็ให้เดินกายรวมใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดห ย, ย, ยุดลงไปที่ศูนย์กลางกายใหม่ที่เกิดขึ้นมานั้นเสมอเช่นกันเรียกว่าเข้ากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางต่อๆไปไม่มีถอยหลังกลับก็จะเห็นกายและดวงที่ใสละเอียดกว่าเดิมมีขนาดโตขึ้นไปเรื่อยๆ จากกายมนุษย์ละเอียดก็จะเห็นกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปประพรมหยาบกายรูปประรมละเอียดกายอรูปประพรมหยาบกายอรูปประรมละเอียดกายธรรมพระโคตรปูหยาบกายธรรมพระโคตรปูละเอียดกายพระโสดายาบกายพระโสดาละเอียดกายพระสกีธาคามีหยาบกายพระสกีธาคามีละเอียดกายพระนาคามีหยา กายพระอนาคามีละเอียดและกายพระอรหัตยากายพระอรหัตละเอียดซึ่งมีขนาดหน้าตาความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงทังยี่สิบวารวมเป็นส8ปกายเมื่อเข้าถึงกายพระอรหัตละเอียดนี้แล้วก็ให้รวมใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดลงไปที่ศูนย์กลางกายพระอรหัตละเอียดต่อไป ดวงธรรมดวงศิลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติและดวงวิมุตติญาณทัศนะจะเข้าถึงกายพระอรหันต์ที่ละเอียดละเอียดต่อไปอีกจนนับ ก, กายไม่ท้วนให้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะพะ